พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่27ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าทำความดีฉลองปีใหม่ าต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสั ม, มโมทนายกถาตอนรับคณะสัายาิโยมาช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจะเข้าปีใหม่เพราะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2558้าอห้าสิบดเมื่อวานนีก็มีคณะสงฆ์คณะสัตายาิโยมมาจาก เขตบางบอลกรุงเทพมหานครเราก็พร้อมกับในท่านเจ้ากรมที่ท่านมาพักก่อนหน้านี้กับคณะของท่านเพื่อจะเตรียมการมาทอดผ้าป่าสามัคคีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจบลงที่ผ่านผ่านมาแล้วก็พร้อมกันก็เป็นช่วงเทศ ก, กาลปีใหม่หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา ของคณะทาญาิโยมทั้งหลายก็จึงจะตือกล่าวเตือนยำ้ำให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างวันนี้อย่างวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลส่งท้ายปีเก่าเพื่อรองรับปีใหม่พวกเราชีวิตของพวกเราก็ใจคงจะได้มีความสุขความเจริญขึ้น พอพวกเราจะเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญกุศลเข้าสู่จิตใจการแ ส, สวงหาทรัพย์สมบัติเราก็ไม่เคยลดละแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราก็เตรียมพร้อมไปพร้อมๆกันด้วยความไม่ประมาทนี่แหละหลวงพ่อเคยได้พูดเมื่อ ว, วานวันก่อนบอกว่าปีนี้ปี255พ้าสบแที่ผ่านมาเนี่ย อีกไม่กี่วันก็จะ2559อพวกเราเคยได้ปิดงบดูตนเองไหมแต่มีแต่บริษัททางร้านพอจะสิ้นปีหรืองบกลางปีงบปลายปีก็ได้ทบทวนรู้ว่าขาดทุนกำไรอย่างไรในบริษัททางร้านของเราการทำมาค้าขายของเรา แต่มีแต่บริษัทงบบริษัททางร้านแต่พวกเราท่านทั้งหลายลืมงบตั ว, ตวเองคะแต่ละคนตั้งแต่เท่าแก่จนถึงลูกน้องว่าปี2558นี่ข้าพเจ้าได้คิดอะไรไปบ้างที่ออกนอกรูนอกทางคิดในทางที่ไม่ดีแต่ทําอะไรลงไปบ้างในสิ่งที่มันไม่ดีได้พูดอะไรออกไปบ้างสิ่งที่มันไม่ดี หรือว่าคิดอะไรในทางที่ดีมากไหมทําในทางที่ดีมีมากไหมพูดในทางที่ดีมีมากไหมอยากจะให้พวกเราปิดงบตัวเองเพราะว่าปีสองพันห้าร้ยห้าสิบเก้าพวกเราจะได้ตั้งต้นใหม่ว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดในขาดทุนเอเราคิดมีแต่เรื่องเอไม่ดีหรือทําในสิ่งที่มันไม่ดี จะพูดในสิ่งที่มันไม่ดีทำให้กระทบกระเทือนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมิตรสหายที่เราพูดออกไป น, นไม่ดีปีต่อไปในาะ้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างเมื่อปี2558หรอือการกระทาของเราก็เช่นเดียวกันการคิดของเราก็เช่นเดียวกันเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดปี2อ5 9นอเนี่แหละให้พวกเราเมื่อเราไม่ ปิดงบนะพวกเราก็ไม่รู้ว่าแนวความคิดที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาการคิดการทำการพูดของเราเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอย่าไปปิดปิดงบแต่ เ, mm hmm. เงินทุนทางนอกเงินคำทรัพย์สมบัติภายนอกบัญชีทางนอกนะควรจะดูตรวจตราดูของตัวของพวกเราทุกทุกท่านด้วย ถ้าพวกเราตรวจตราหรือว่าปิดงบในตัวเองต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าการคิดการทำการพูดของเราเจะอยู่ในกรอบมากน้อยอย่างไรแค่ไหนถ้าพวกเราได้ตรวจตราดูตนเองทุกคนนะพวกเราก็จะรู้ได้ว่าการเคลื่อนไหวและการกระทำของพวกเราออกนอกลูก่นอกทางมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกท่าน แต่ก็พร้อมกันหลวงพ่อเคยย้ำกลัวลูกหลานคณะจตหายาิโยมจะหลงลืม เ, เพราะว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งให้รู้จักว่าเรามาจากไหนเราเกิดมาจากไหน อ, อ, อย่างนีน้ถ้าว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างหลวงปู่หลวงตาไม่พูดไม่กล่าวก็ไม่รูจ้จะให้ใครพูดอีกเหมือนกัน แตบ่บางคนก็ไปวัดอื่นๆก็มีที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแต่มาถึงวัดหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อก็อยากจะบอกกล่าวคนะนัทายาตโยมลูกหลานทุกคนที่ปีใหม่ให้พวกเราลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราที่ให้กำเนิดพวกเราเกิดมานะจากพ่อจากแม่อย่าลืมพ่อลืมแม่ถ้าว่าพวกเราลืม พระคุณ ข, ของบิดามารดาแล้วไม่เป็นผลดีเพราะว่าท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องมีลูกมีหลานต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราไม่ดูแลพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราก็คงจะไม่ดูแลพวกเราเช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ากรรมกรรมมุนีนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ท่านตัวเองห่างเหินจากพ่อแม่ไม่ได้ดูดูแลพ่อแม่ลูกหลานของเราก็ไม่ดูแลพวกเราเช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นให้พวกเราอย่าลืมพระคุณของบิดามารดาได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องพระคุณบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตร บิดามันดาเป็นบุพาจารของบุตรธิดาบิดามันดาเป็นพระหันของบุตรธิดาท่านเน้นหนักมีแต่ยกสูงสูงทั้งนั้นเลยเพรพะออะไรเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาเห็นไหมพวกเราขนาดจัตตดรชานอย่างไก่อย่างเนี้ยอย่างหมาอย่างนี้ล่ยวัวควายอย่างเนี้ยถ้าเราไปใกล้ลูกมัน มันจะไล่ขิดไล่ชนมมันหวงลูกของมันมันยอมเสียกระทั่งชีวิตของมันอีกต่างหากเพราะอหไห่เพราะความรักลูกขนาดจัดที่ระชันนะมนุษย์ของเราก็เช่นเดียวกันการรักลูกของของเราก่อนที่พวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้นะพ่อแม่ปกป้องขนาดไหนขนาดมียุงพ่อแม่อาจจะนอนไปหลับช่วยไปวยไปเพื่อไม่ให้ยุงกัด ลูกของตนเองดูแลรักษาพัดวีอยู่ตลอดนี่แหละก่อนที่พวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้พ่อแม่ดูแลอย่างพวกเราดูแลลูกๆของพวกเราอย่างนั้นแหละไม่แพ้กันเพราะนั้นพ่อแม่จะว่าเป็นพรหมเป็นเป็นผู้มีพรห ม, มวิหารคือเมตตามีกรุณามีทุก ม, มุทิตากับลูกของตนเองแต่ เมื่อลูกตัวเองถึงคราววิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยถึงข่าวล้มตายพ่อแม่ทำใจไม่ได้วางอุปเปคขากับลูกไม่ได้มีแต่เมตตากรุณามุทิตาเป็นอย่างมากเพราะนั้นพวกเราควรจะลํำลึกถึงพระคุณจุดนี้ของพ่อแม่ของพวกเราเนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นเป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพพาจารย์บุพพาจาร์คือเป็นอาจารย์คนแรก ของบุตรธิดาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมแแบบอกไม่รู้เดียงสาภาวะนอนร้องหมร้องให้พ่อแม่ก็มีแต่ดูแรลรักษาให้รู้จักวิธีการขับการถ่ายวิธีการหลับการนอนดูแลประครบประหงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องดูแลลูกที่เราเป็นเด็กคึ้เกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละจากทั้งการสอน พอรู้เรียงสาภาวะพอจะสอนอันไหนได้เรียกพ่ออย่างนั้นเลียกแม่อยังเล้ยงผีปะหน้าอาจากนั่งถึงเวลาการขับการถ่ายเวลาการอยู่การกิน เ, เวลาการหลับการนอนหมผ้าอะไรดูแลต่อมาก็ได้ส่งเข้าโรงเรียนาการศึกษาอนุบาลปถมมัธยมมีแต่ค่าใช้จ่ายทางนั้นพวกเราคิดดูใว่าพ่อแม่คนใดวันเลี้ยงลูก ชายคนนี้ขึ้นมาลูกสาวคนนี้ขึ้นมาคิดเป็นเงินออกมาแล้วเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ใหญ่ขนาดนี้จนล้งรู้เรียงสาภาวะ20ปีจบปริญญาตรีนี่ยน ะ, ะสิ้นเงินเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่ได้เขียนเอาไว้ไหมไม่มีพ่อแม่คนใดได้จดบันทึกเอาไว้ว่าเลี้ยงลูกของเราค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเงินคําทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่มี ไมรักยิ่งกว่าลูกของตนเองเงินคําทรัพย์สมบัตินั้นได้มากับเพื่อลูกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกพ่อแม่ทั้งหลายท่านจึงดูแลลูกของท่านด้วยการเสียสละทั้งกายทั้งถุนทรัพย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรธิดาส่งเสียให้พวกเราได้ สุดความสามารถที่เราจะเรียนจากเราจะศึกษาจากนั้นก็หาครอบครัวแล้วกเงินคำทรัพสมบัติที่พ่อแม่หามาเพื่อจะแบ่งให้พวกลูกๆทั้งหลายไม่ให้น้อยหน้าตำตาในชุมชนสังคมล้วนแล้วแต่เป็นความบักบันและความพยายามของพ่อแม่ทั้งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นบุพก า, าร์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดา แล้วก็พ่อแม่เป็นพระรหัน์ของบุตรธิดาท่านยกถึงว่าเป็นพระรหัน์ไปลว่าในพุทธศาสนาก็บอเป็นพระรหันและก็จบสูงสุดแต่นีนท่านยกให้ว่าเป็นพระรหันของบุตรธิดาที่ท่านเลี้ยง ด, ดูเรามาแล้วทาว่าผู้ใดเคารพในบิดามารดาเหมือนกับเพระมาเคารพพระรหัน์ในครอบครัวท่าว่าใครดูถูกเหยียดหยยม เนรคุณพ่อแม่ผู้นั้นเหมือนกันเนรคุณพระรหันในครอบครัวบาปหนักอีกเหมือนกันบาปกรบบุญอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับคณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคน ล, กลูกลูกหลา น, ลานยุคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์การเจริญทางด้านวัตถุโดยมากจะห่างเหินในการระลึกถึงประคุณของบิดามารดาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยิน หลวงพ่อพูดแม้ก็คงจะไม่ผิดมากนะถึงจะผิดก็คงจะไม่ผิดมากแต่จึงหลวงพ่อจึงกล่าวย้ำเตือนให้กับคณะชาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่เป็นลู ก, ล, กล้านหลานให้ดูแลพ่อแม่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งปีใหม่อย่างนี้แหละเราจะเอาอะไรให้เป็นราังวัลของพ่อของแม่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าที่ทําตนให้เป็นคนดี ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทดําดีจะไม่ให้พ่อแม่หนักใจกับเราสิ่งไหนที่มันที่ ผ, ผ่านมาพ่อแม่หนักใจกับเราเราจะไม่ทําสิ่งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราให้คุณงามความดีกับพ่อกับแม่ของพวกเราในเมื่อพ่อแม่ของเราได้รับเพียงแค่นี้แหละพ่อแม่ก็ดีอกดีใจกับลูกกับหลานนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบตอบอยังไงขณะเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราช่วยตนเองไม่ได้เขาโรงพยาบาลหรือว่าท่านช่วยตนเองไม่เราในฐานะลูกเราต้องช่วยเลี้ยงท่านตอบเหมือนกันเหมือนกับท่านเลี้ยงเรามาแต่สมัสยเป็นเด็กท่านเลี้ยงยังไงเลี้ยงเรา ในเมื่อท่านเท่าแก่ชราเราก็ต้องเลี้ยงท่านเอชักผ้าให้ท่านอาบน้ํำให้ท่านป้อนข้าวให้ท่านเมื่อท่านทานอาหารไม่ได้ท่านเป็นอามาพิกอามาผเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาจะต้องช่วยกันดูแลเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ไม่ให้เฉยเมยนะเพราะร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นให้พวกเราระลึกถึงเอเราควรจะเอาเอามรดกของท่านที่อยู่กับตัวของเราเนี่แหละอไปสร้างไปหาเงินคาทรัพย์สมบัติได้มาแล้วก็ ทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนี่แหละการทําบุญก็มีหลายๆายแนวก็คือช่วยโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างวัดวาศาสนาบ้างถาวรวัตถุสาธารณประโยชน์ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราได้ทําลงไปแล้วเราก็อุทิศ ส, สวนกุศลบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้ได้ทำไว้ในสาธารณประโยชน์ ให้แก่ชุมชนสังคมกวาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ขอขอให้เป็นปัจจัยเครื่องเกื้ อ, อคุนหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ที่ตกทุกข์แต่ยากอยู่ก็ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทางว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ข อ, ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศสรรเสริญสุขมีความสุขกายสุขใจตลอดไปสิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของบุตริดาทุกคนจะต้องอกระทาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาของตอนเองบิดามารดาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรต่อพระคุณของท่านพอต่อบิดามารดาอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะ ลูกหลานคณะนักทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ้ายยังมีพ่อแม่อยู่ควรจะคิดนะควรจะช่วยพ่อแม่ของเราเมื่อท่านเท่าแก่ชราแล้วนะเราควรจะดูแลท่านยังไงควรจะวางแผนกันนะลูกของเราลูกของท่านมีกี่คนแไม่ใช่เราจะโยนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านเออแล้วก็ผู้อื่นเขาไปหายอยู่หากินมมามาแล้วก็ยังมาตาหนิ ติชินดินทาผู้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่อีกอย่างนั้นไม่ถูกนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถึงเราจะอยู่ไกลขนาดไหนทุกวันนี้ไปชนีเราส่งมาให้เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เดือนละเท่าไหร่เดือนละสี่0บาทก็ได้สองสบาทก็ยังได้ดีกว่าเมินเฉยไม่ไม่ดูไม่ แ, แล่เลยถ้าเราคิดดูที่ว่าก่อนที่เราจะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้นะ่ พ่อแม่เลี้ยงดูเราขนาดไหนและก็พร้อมกันบางคนก็กันแหนกแหนดูถูกพ่อแม่อีกต่างหากว่าพ่อแม่ไม่รักตนว่าพ่อแม่รักไม่เสมอกันรักคนนั้นรักคนนี้แต่ตามไม่จริงโล ก, กันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้ลูกของแต่ละคนจะให้พ่อแม่รักเสมอกันเป็นไปไม่ได้ ล, ลูกหลาน แต่ที่ยังไงท่านได้เลี้ยงดูเรามาถึงขนาดนี้แล้ว เ, เราก็ต้องลาลึกถึงพระคุณของท่านถ้าว่าท่านไม่เลี้ยงดูเราม า, าเราเกิดมาแล้วท่านความหน้าแท้แท้ใครจะไปเห็นตัวเองก็ตายนี่แหละท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดนี้แหละนับว่าเป็นพระคุณอย่างมากขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราจะกระโดดไปในทิศทางใดก็ได้คนมีปัญญา คนมีปัญญาคนขยันคนขยันคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าคนโง่เชอย่างอย่างนะแล้วคนโง่เชอย่างคนขี้เกียจคนนั้นจะหาทรัพย์ไม่ได้นะขนันธทายาตโยมลูกหลานพวกนั้นพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วความขยันเราก็ต้องขยันแล้วก็ต้องใช้ปัญญ า, าคนมีปัญญาก็ความขยันด้วยไม่อดไม่อยากหรอกในพื้นแผ่นดินไทย เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่พร้อม ก, กันก็อยาลืมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นคือส่วนหนึ่งการสสแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้ามาการสสแสวงหาทรัพย์ภายนอกคือปัจจัยสี่ก็จำเป็นและก็การสสแสวงบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็จำเป็นเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญในจุดนี้ล่ะพวกเราจะต้องศึกษานะต้องศึกษาตายแล้วไม่สูญเด้อเนี่ยพกุฎิเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มันที่หลวงพ่อได้ศึกษาจะเป็นหลวงปู่หลวงตาองค์ไหนตั้งแต่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิทญาณสิทธิ์ของหลวงปู่มัน ท่านยืนยันยืนยัดเลยว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนท่านทํายังไงท่านจึงยืนยัดยืนยันยืนยัดอย่างนั้นท่านก็นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครว่าใจดวงนี้จะไปเกิดตายแล้วสูญตายแล้วดับดับจริงไหมดับคื อ, ค อ, คอร่างกายร่างกายนี้ดับแน่นอนแต่นามธรรมคือจิตใจนั้นน่ะ ดวงนั้นละ่ะจะไปเกิดไปสู่ปรละโลกด้วยบุญด้วยกุศลถ้าว่าบาปอกุศลถ้่เราได้ทำเอาไว้บาปอกุศลจะเป็นผู้พานำไปถ้าเราทำบุญกุศลบุญกุศลจะเป็นผู้พานำไปอย่างพระสงฆ์ในครั้งพระพุทธเจ้าในวัดป่าเชตตะวันท่านตายท่านมรณภาพลงกลางคืน ท่านเป็นห่วงผ้าจีวรของท่านนะขึ้นตัดเย็บผ้าจีวรใหม่ๆท่านเป็นห่วงว่าวันพุธนี้คงจะได้คลองผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจทุกอย่างจากนัน้นัท่านก็อาหารเป็นพิษท่านก็เลยมรณะภาพพอมรณะภาพความเป็นห่วงหาอะไรในผ้าจีวรผืนนั้นดวงวิญญาณท่านจะไปเกิดไปเกาะไปติดอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นเป็นตัวเรนตัวเรนตัวไร จูนายพาจีวรผื่นนั่นนี่แหละยังเคยมีพระพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่านี่แหละการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เนี่ยเป็นได้ทุกอย่างขนาดตัวจะใหญ่ขนาดเนยยังวิญญาณจะไปตัวเป็นตัวเลนได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทางนั้นเพราะไรเพราะว่ากรรมบุญอกุโส ล, ลกรรมพาไป แต่ถ้าว่ากุศลละกรรมพาไปคือบุญกุศลพาไปพอเราสร้างบุญสร้างกุศลจะปฏิบัติพ่อแม่ก็ตามปฏิบัติคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมรักษาศีลห้านั่งภาวนาธรรมจิตใจให้สงบก็ตามล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลเมื่อตายเมื่อหลุดออกจากร่างออกจากร่างนี่แล้วนะบุญกุศลนั่นแลจะเป็นเพื่อนสองออจะเป็นผู้พานําดวงวิญญาณนั้น จะไปที่ไหนบุญกุศลจะพาไปเราจะไปเกิดหรือไปเกิดไปเกิดได้ตระกูลไหนประกวตระกูลสัมมาทิฏฐิหรือตระกูลมิตรสาธิติหรือจะไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นทางว่าเรามีบุญถ้าเรามีบาปแล้วก็นั่นแหละไปไม่ได้บาป อ, อกุศลจะเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันเข้าไปล็อกแขนเข้าไปกเจะไปตกนรกหลุมไหนเพราะตาแกทําความชั่วนะ นั่นแหละเขาก็จะพาไปตกนรกเมื่อพ้นจากบุญกุศลนั่นแหละเมื่อเมื่อพ้นจากบาปอกุศลนั่นแหละเราจึงจะไปหาบุญกุศลของเราถ้าเราได้ทำเอาไว้เพราะนั้นเวลาคนจะตายนะเราคิดถึงอะไรก่อนถ้าเราคิดถึงบาปบาปก็จะเข้ามาสู่จิตใจถ้าว่าเราคิดถึงบุญบุญก็จะขู่จิตใจแต่ว่าถึงจะบาป ถึงเราจะไปสวยบุญแล้วก็เถอดนะบาปอคุศสก็ยังไม่ไม่หมดไม่สิ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอย่าทำอย่าทํากรรมชัว่วอย่าทำบาปอคุศณสอขนาดหมูในครั้งพุทธกาลนะในครั้งพระพุทธเจ้านะเอพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไปเห็นหมูตัวหนึ่งหมูตัวเมียนะเออยู่ในค้างถุนน้ำกรหากินตามภาษาของหมูนะั่นพระพุทธองค์เห็นหมูตัวนั้นนะ่ะพระพองค์แย้มพระโอษฐ แย้มพระโอสถคือพระ อ, องค์จะไม่แย้มพระโอส์ง่ายๆถ้าไม่เห็นเรื่องกระเทือนใจกระเทือนพระไทยแต่พระ อ, องค์แย้มพระโอสถพระอนนท์ก็กราบทูลถามบอกพระพุทธเจ้าค่ะแย้มพระโอส์ตัวเหตุอันไรหนอพระเจ้าค่ะดูก่อนอนอนท์เห็นไหมหมูตัวเนี้นะ่ะหมูตัวเมียตัวเนี้นะ่ะเออมันหากินอยู่ข้างถนนน่ะมันลงมาจากพรห ม, มโลก น, นั่นเองนี่แหละลงมาจากพรหมมาเกิดเป็นหมูนี่แหละ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะว่าเขาได้ภาวนาอจากนั้นภาวนาจิตใจของเขาเกิดฌานเกิดญ า, าณทัศนะเคลื่อนไปเกิดเป็นพรหมแต่ว่าบาปกรรมของเขาในอดีตชาติก่อนหน้านั้นะอมันเมื่อขึ้นเป็นพรหมก็จริงอยู่แต่หมดอนันโสง์ของพรหมแล้วก็ลงมามาเกิดมาเกิดเป็นหมูนนี่แหละเพราะฉะนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าอัคตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปติลุกกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเรยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วก ร, รรมชั่วจะให้ผลถึงเราจะทํากรรมดีก็เถอะนะเว้นเสียแตกรรมดีจริงๆบุญกุศลจริงๆสามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระหันได้เท่านั้นแหละเออกรำรชั่ว พอพ้นออกไปแล้วท่านจะหมดไปแต่ถ้าหากว่า เ, ออเราทำสร้างบุญสร้างกุศลก็จริงออแต่ว่าเมื่อเรามาออกมาแล้วเนี่ยบาปกุศลก็ยังให้ผลอยู่นะอนัตตทาญาจโจรลูกหลานอย่างพโมก ค, คลาเนี่ยออท่านได้เป็นพระหันออมียานเหาะเหินเดินฟ้าได้เป็นพระหันแต่ก็ยังถูกโจรฆ่าเนี่ยออทำไม ก็พระพระุทธองค์บอกว่ากรรมเก่าเพราะพโมกคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติพอมาเกิดมาในชาตินี้ท่านก็ได้บำเพ็ญได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจา้าได้สำเร็จเป็นพระหันแต่กท็ทั่งยังถูกโจรฆ่าโจรฆ่าตายที่เมืองอกุ่งราชคือนี่แหละสรุปแล้วก็คือกรรมชัว่วอย่าทำเลยดีกว่า ถึงทําลงไปแล้วนะ่ะกรรมชั่วมันจะไม่ลดละเหมือนกันนะเอ๊มันก็จะต้องให้ผลสําหรับพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านเนาะให้ศึกษาในจุดนี้ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็อย่าลืมพระคุณของบิดามารดาหลวงพ่อได้บรรยายแล้วว่าแนะแนวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้สํารึกถึงพระคุณรําลึกถึงพระคุณบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างไร ถ้าเราทำดีต่อบิดามารดาบุญกุศลที่พวกเราทำไปแล้วนะ่ะมันไม่ไปไหนนะลูกของเราก็จะเขารักรักเคารพพวกเราปฏิปนิบัติพวกเราแต่เราก็ไม่ได้มุ่งได้หวงังหรอกแตงเหล่านั้นแต่มันเป็นบุญกุศลนะมันเป็นบุญกุศลจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนแต่เล่าพวกเราทำกับพ่อกับแม่ไม่ดีนั่นแหละ บาปอกุศลก็ไม่ต้องคิดถึงม hmm. ันอีกเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปเออเห็นพ่อเห็นแม่กันไม่รู้ว่าทั้งศอกไม่รู้ว่าทั้งเข่าไม่รู้ว่าทั้งเตะดูถูกเกลียดหยามอีกต่างหากเพราะเหตุเพราะเหตุอะไรเอพราะกรรมตัวเองได้กระทําเอาไว้เอกับพ่อกับแม่ทํากรรมจิงไหนไม่ดีกับพ่อแม่กรรมนั้นก็จะตามสนองมาอีกเหมือนกันนะพวกเราคณะจทหาญาติโยมลูกลานวันนี้หลวงพ่อได้กล่าว เปา่าลบปีใหม่ให้กับพวกเราลูกหลานคณะทัตไทญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราเอาต่อเนื่ไปพระสงฆ์จ้าหนุ่มโธนาให้พรละนระินีนะแล้วก็ให้พวกเราอุทิศสวนกุศลพวกเราได้ทําบุญกุศลอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้ากรม กับคณะที่มาทอดผ้าป่าหาทุนให้การซึกให้การโรงพยาบาลพี่น้องดูแลพี่น้องประชาชนสุขภาพพี่น้องประชาชนหาอย่างนี้หาได้ยากเกินเป็นล้านกว่าไม่ใช่ของในง่ายๆนะค่ะนักศึกาญาติโยมยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้อีกต่างหากเศรษฐกิจปีสองปีมันได้รู้สึกว่า ที่น้องประชาชนชาวบ้านนอกอย่างพวกเราท่านทั้งอย่างพวกเรานี่นะอะ่รู้ได้ชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถึงจะทํายังไงได้มันไม่ดีไปทั่วโลกะแต่เราก็ต้องศึกษาฟังสื่อต่างๆด้วยซิมันไม่ใช่ดีแต่ไม่ดีแต่ในเมืองไทยนะมันไม่ดีไปทั่วโลก ะ, ะเพราะนั้นเราต้องยอมรับเมื่อมันไม่ดีจะทํำยังไงเราก็ต้องใช้น้อยอใช้น้อยกินน้อยอยู่ ด้วยความระมัดระวังนะน ะ, นะประหยัดนะอย่าไปใช้สู่ลุยสู่ไล่นะให้ให้ประหยัดให้รักษาให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงนะนะตามในหลวงที่ท่านได้บอกกล่าวสั่งเสือสั่งสอนพี่น้องประชาชนนั่นแหละให้พวกเรานํำแนวความคิดของในหลวงของพวกเราประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ย น ำ, นำมาดําเนินชีวิตนะหลวงพ่อว่าไม่เดือดร้อนกระพร้อมกันให้พวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าใช้ปัญญาด้วยใช้ความขยันด้วยเอาตัวรอดได้ทั้งนั้นแหะถ้ามีความขยันแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ให้รู้จักประหยัดรู้จักการวางตัวนะต่อเนี้ไปรับพรนะอุทิศตนกุศลหน้าลูกหลานน้คณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่าน